ทรัพย์ที่อยู่ในหมู่บ้าน106ที่ชื่อว่าทรัพย์ที่อยู่ในหมู่บ้านได้แก่ทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ในหมู่บ้านโดยฐานะ4ี่คือฝังอยู่ในแผ่นดินตั้งอยู่บนพื้นดินลอยอยู่ในอากาศแขวนอยู่ในที่แจ้งพิกูุมีทยจิตคิดจะลักทรัพย์ที่เก็บไว้ในหมู่บ้านหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอาบัตทุกกฎจับต้องต้องอาบัตทุกก ทำให้ไหวต้องอาบัตทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัดปาราชิก